เพ่งพากันตั้งใจให้ดีฟังธรรมะไปด้วยภาว น, นาไปพร้อมให้มันได้ทั้งสองอย่างภายในใจก็มีสติสำรวมเข้าไว้ภายในแล้วก็พิจารณาธรรมะ ที่ท่านแสดงไปให้รู้ให้เข้าใจความหมายของธรรมะนั่นนั้นเพราะธรรมะนี่มันเป็นอุบายสอนใจให้ละทีเละบาปธรรมนี่เองแหะไม่ใช่อย่างอื่นใดเพราะคนเรานั่นไม่มีอุบาย ไม่มีปัญญาที่จะมาสอนจิตนี้ให้ละเหตุแห่งทุกข์ต่างๆได้ <c oughs> เราจึงได้อาศัยฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้ฟังบ้างเรียนเอาบ้างท่องจำเอาบ้างให้มันได้ยังนี่แหละเมื่อจำได้แล้ว นั่งภาวนาไปถึงบทใช้ปัญญาก็ต้องนึกถึงอุบายาต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เอามาสอนจิตนี้เข้าไปในธรรมะแต่ละกันแต่ละสูตรพระองค์ทรงแสดงไปนั้นก็มีอปมุอปมาอุปมิ เกือบทกกันเลยทีเดียวนั่นแหละการอุปมาต่างๆวันนีนะ้มันเป็นอุบายอุบายสอนจิตถ้าจะสอนกันตรงๆอย่างนี้เนะ่ยมันไม่ค่อยเชื่อใจนี่มันไม่ค่อยลงแต่ย่างไง <c oughs> เช่นอย่างที่ว่า พระองค์เจ้าทรงเปรียบธาตุสี่นี่เหมือนกับเพศธ า, าตุสี่คนมาแต่ในทิศทางสี่มาเพื่อจะมาทำลายชีวิตของบุคคลในโลกนี้อย่างนี้นะอันบุคคลเมื่อเห็นเพศธ า, าตุนั้นเข้าแล้ว ก็ฟากันสะดุ้งหวาดเสียวแต่ถึงจะสะดุ้งอย่างไรมันก็หนีไม่พ้นเพราะว่าเพชฌฆาตคือความตายนี่มันมีอำนาจเหนือชีวิตของมนุษย์เราแม้จะเหาะเหินเดินอากาศไปฝากฟ้าแดนดินที่ไหนมันก็หนีไม่พ้นมัจุราชมันก็ติดตามไปทุกแห่งหน ดังนั้นแนะ่ะทุกคนต้องให้กลัวต่อมัจจุราชคือความตายมเมื่อกลัวแล้วทำอย่างไรกลัวแล้วก็ต้องพิจารณาดูว่าทํายังไงถึงจะพ้นจากอํานาจของมัจจุราชภัยนี่ไปได้ถ้ามันจะพ้นจากอํานาจมัจจุราชนี่ก็ไม่ต้องมาเกิดอาศัยขันห้านี่อีกต่อไป นั่นแหละถึงจะพ้นจากเงื้อมือของมัจจุราชคือความตายถ้าว่าจิตนี้ยังได้มาอาศัยอยู่ในธาตุสี่ขันหานี่อยู่ตราบใดแล้วก็เป็นนั้นว่าตกอยู่ภายใต้อำนาจของมัจจุราชคือความตายทุกธาตไปเลยทีเดียว<ม>ก็จะต้องได้รับความสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายอยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่าขันหานี้มันไม่เที่ยงเราก็รู้กันอยู่แล้ว นี่ได้ชื่อว่าเป็นอุบายอันหนึ่งสําหรับเตือนใจว่าเราจะพ้นจากมัจจุราชคือความตายนี่ไปได้ก็ต่อเมื่อเรามาละความยึดมั่นถือมั่นในขันห้านี่ว่าเป็นตัวเป็นตเนตเสียได้จิตนี้เมื่อละความถือมั่นในขันห้านี้ได้เมื่ออยู่เหนือขันห้าแบบนี้อันแนี้ย เนี่ยว่าโลกุตระธรรมแปลว่าทำอยู่เหนือโลกแท้ทีจริงแล้วก็หมายเขาว่าจิตอยู่เหนือขันห้าเหนืออย่างไรอ่ะเหนือคือจิตนี่มันเพียรพร้อมไปด้วยอริยมรรศินก็เป็นอริยะกันตสินสมาธิก็เป็นอริยะปัญญาก็เป็นอริยะ หรือว่าศีลก็เป็นอาธิศีลศีลยิ่งจิตก็เป็นจิตยิ่งปัญญาก็ปัญญายิ่งเมื่อคุณธรรมสามอย่างนี้มันรวมกันอยู่ที่จิตอย่างเดียวแล้วก็ทำให้จิตมีกําลังเข้มแข็งเต็มที่และทำให้จิตนี่มีปัญญารู้แจ้ง ความจริงของอัตภาพร่างกายนี่ตามเป็นจริงได้คำว่ารู้แจ้งตามเป็นจริงนั่นคือรู้อย่างไรรู้ว่าขันห้านี่มีคนยึดถือว่าเป็นตัวตนของเรามันรู้มันเห็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลารู้ว่าขันห้านี่ควรโปลงควรวางไว้ตามสภาพของมันเมื่อรู้แจ่มแจ้งได้อย่างนี้ มันก็ปรงก็วางไว้ตามสภาพเมื่อขันห้านี่มันวิบัติแปรโปรนไปจิตนี้ก็ตั้งมั่นอยู่ได้ไม่วันไหวเพราะว่าปรงวางแล้วนี่ไม่ได้ถือว่าเป็นของเราแล้วมันถึงไม่วันไหวนั่นหลถ้ามันยังสำคัญว่าเป็นของเราอยู่เวลาร่างกายนี่มันวิบัติแปรโปรนไปมันก็วันไหวเพราะมันกลัว กลัวกลัวตายเลยเพราะมันถือว่าเป็นของเรากลัวเราจะตายกลัวเจ็บกลัวปวดสารพัดแหละมันกลัวไปละ <c oughs> ถ้ามันรู้แจ้งอย่างว่านนมันปรงมันวางลงจริงๆแล้วนี้มันก็ไม่กลัวแบบนี้นั่นนี่ เพราะว่ามันรู้ชัดแล้วว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ของใครถ้าเป็นของตนจริงๆมันก็บังคับได้มันก็บังคับให้เที่ยงให้ยั่งยืนอยู่ได้ตลอดไปเลยก็ไม่ต้องตายกันเช่นนั้นจึงสมควรยึดถือว่าเป็นของตนได้นี่มันมันหาเป็นเช่นนั้นไหม มันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังก็ต้องมาฝึ ก, ก จ, จิตใจใช่อุบายปัญญาสอนใจเข้าไปอย่างนี้แหละอาศัยความภาคเพียร น, นะสอนใจตัวเองลอเลื่อยไปคนเรานี่ส่วนมากมันขาดความเพียรขาดความพินิจพิจารณาขาดอุบายแยบคายสังๆงดังกล่าวมานี่แหละ มันไม่ค่อยนึกคิดหมายความว่าอย่างนั้นนี่แต่คิดไปถึงแต่เรื่องอื่นเรื่องชีวิตนี่ไม่ค่อยคิดถึงคนส่วนมากเป็นอย่างนั้นผู้ใดคล้องใจกับสิ่งใดก็มักจะไปคิดไปวิจารณ์อยู่แต่ในเรื่องนั้นแหละอันซึ่งจะทวนกระแส จ, จิตกลับเข้ามาเพ่งที่นิตตวอัตภาพร่างกายอันนี้ ไม่ค่อยมีทีนี้เมื่อมัจจุราชคือความตายมาถึงเขาก็กลัวแล้ววันนี้นะเพราะว่าชนไม่ได้พิจารณาให้รู้เท่าไว้แต่เนินน่นนี้เวลาปกติอยู่ก็มีแต่เอาส่งใจไปข้างนอกนูน่นไม่ได้มีอุบายแยบคลายสอนใจนี่ให้มันปรงมันวางขันห้านี่ลงไว้ตามสภาพดังนั้นเมื่อเวลา เข้าที่ครับขันมาก็เลยสะดุ้งหวาดกลัวอย่างเต็มที่ร้องครวนครางร้องหาพี่หาน้องหาพ่อหาแม่หาญาติหาวงอะไรต่ออะไรสารพัดเมื่อมันเกิดความกลัวขึ้นมาแล้วนึกว่าท่านเหล่านั้นเน่ยจะมาช่วยเหลือตนได้จกมาเป็นที่พึ่งของตนได้จึงได้เรียกร้องหา จะที่แท้แล้วหาเป็นเชนนั้นใหม่ใครๆจะมาช่วยได้เวล า, าอายุสังขารมันจะหมดจะสิ้นลงแล้วใครก็ช่วยไม่ได้จะมีแต่เพียงมันนั่งเป็นเพื่อนอุ่นใจอยู่ในเวลาลมหายใจมันจะหยุดลงเท่านั้นเองมันก็อุ่นใจไม่ได้แล้วจะอุ่นใจอะไรทำไมนั่งดูกันอยู่เฉยๆนี่ ผู้หนึ่งเราหายใจสั้นเข้าสั้นเข้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่จาเป็นใครจะมานั่งเป่าหรือไม่นั่งเป่าก็ตามเราต้องตัดออกเลยเรื่องอย่างนี้นะออต้องปรงลงเลยต้องคิดไว้แต่นิ่นออออ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่ืม่มออใใ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ มันจึงไม่น้อยเนื้อต่ำใจถ้าหากว่าไม่มีใครมาพนาอพนโนเอาอกเอาใจเวลาเช่นนั้นมันแักจะน้อยเนื้อต่ำใจเลยคนเราเพราะฉะ <c oughs> นั้นเราต้องคิดให้รู้ล่วงหน้าไวเลยให้รู้เท่าไว้พอเราคิดไปจนชินแล้ววะนี่พอถึงเวลานั้นมานี่เราก็ไม่ต้องห่วงเลย ใครจะมาดูแลก็ตามไม่ดูแลก็ช่างนะไม่ห่วงมีแต่จะมีสติประคองจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันกำหนดรู้เท่าทุกตามเป็นจริงอยู่อย่างนั้นพอถึงเวลาเช่นนั้นมาแล้วบรรดาความทุกข์ทั้งหลายมันก็ไปรวมกำลังกันอยู่ที่จิตดวงเดียวนั้นเลย ถ้าจิตนี่ไม่เข้มแข็งไม่รู้แจ้งอย่างว่านั้นน่ะมันจึงได้วันไหวนั่นนี่วันไหวไปตามความทุกข์ทีนี้ถ้าจิตได้ฝึกขนดีอบรมสมาธิภาวนาเจริญปัญญาไปแต่เวลายังปกติอยู่อย่างนี้พอถึงเวลาเช่นนั้นมามันก็ตั้งสติได้ตั้งใจได้รู้เท่าทุกข์ได้ไม่วันไหวไม่โศกเศร้าเสียใจ ไปทำขันห้าที่มันกำลังจะแตกจะดับอยู่นั้นเน่ก็เตือนตนได้เนี่ยเอ้าเราได้พิจารณามาแล้วไม่ใช่เหรอ่าเรื่องนี้เป็นอย่างนี้เรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นความจริงของสั้งขันเป็นอย่างนี้เราได้พิจารณาแจ่มแจ้งมาแล้วไม่ใช่เหรอนี่แน่นอนเราพิจารณามาแล้วถ้าได้พิจารณามาแล้วอย่างนี้ยังจะไปเสียใจเศร้าโศกอยู่หรือ<น> ไม่แล้วไม่เสียใจไม่เศร้าโศกอพอถึงเสียใจเศร้าโศกไปก็ชีวิตนี้ก็ไม่ได้กลับคืนมามีแต่เป็นทุกข์เปล่าเปล่าเกิดสอนตัวเองเข้าไปอย่างนั้นเนี่ยใครมีวิวายสอนใจตัวเองได้ผู้นั้นก็สามารถปรงวางขันห้านี่ลงได้จิตนี้ก็ไม่หวันไวไปตามขันห้าที่มันกำลัง แปรพลจะแตกจะดับอยู่นั่นนะก็มีสีิควบคุมจิตนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ได้โดยลำพังไม่ไม่ต้องอิงอาศัยขันห้าแล้วเพราะมันอาศัยไม่ได้แล้วมันจะแตกอยู่เรามาล่ออยู่นี่ไอ้อย่างนี้นะเราต้องกำหนดรู้ไว้เ <c oughs> พราะว่าทุกคนนี้ต้องได้เพราะเชิญ กับมหาภัยอันนี้แน่นอนทีเดียวหลีกไม่พน้นแต่ว่าต่างคนต่างได้เชิญคนละครั้งคนละคราวกันไม่ได้พร้อมกันทั้งหมด อ, มอย่างนั้นทุกคนต้องเตรียมตัวไวถึงเวลาใครมาแล้วผู้นั้นก็ต้องไปตามเรื่องอผู้ใดยังไม่ถึงเวลาก็อยู่ไปก่อนกระบำเพ็ญไป อบรมอินทรีย์บารมีให้แก่กล้าไปอย่างนี้แหละอันชีวิตนี้นะขอให้พากันพิจารณาให้ดีอย่าไปทําคันว่าเรายังหนุ่มยังแน่นจักไม่ตายง่ายก่อนแล้วก็มัวเมาประมาทไปเสียอันนี้นะปา่าไม่ถูกต้องความเห็นอย่างนี้นะ คนหนุ่มมันก็ตายได้เด็กๆ ก, ก็ตายได้ไม่ใช่ตายแต่คนแก่ไม่ใช่แก่แล้วริงตาย <c oughs> ไม่แน่นอนเลยความาชีวิตอันนี้นะแต่มันจะแตกกระดับวันไหนเวลาไหนไม่มีใครมาบอกข่าวให้รู้เลยดังนั้นนะจึงต้องเตรียมตัวไวเ้เสมอเสมอ จึงต้องนึกถึงความตายนี่เสมอทีเดียวเพื่อกันมาให้มันสะดุ้งหวาดกลัวในวถึงเวลานั้นมาถ้าเราไม่นึกถึงบ่อยๆจนชินใจแล้วแน่นอนถึงเวลานั้นมามนสะดุ้งหวาดกลัวเพราะงั้นต้องมานึกเสมอทีเดียว <c oughs> อันนี้นะว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ ขาพเจ้าทรงสอนพุทธบริษัทเป็นส่วนมากเลยทีเดียวเนื่องจากว่าคนส่วนมากนี่มั น, ม, นมันมักจะประมาทเข่อสติเห็นว่าตนกินได้นอนหลับอยู่ก็นึกว่าตนสบายสบายอยู่จากไม่ตายง่ายแม่จะมีอายุมากก็ไม่ตื่นตัว จิตใจก็ยังมัวเมาอยู่กับลูกกับร้านกับบ้านกับช่องอะไรต่ออะไรอยู่อย่างนั้นแหละ mm. ไม่รีบเตรียมตัวเปลียมใจไม่หัดปรงหัดวาง mm. ปล่อยให้จิตมันไปเกาะไปคล้องอะไรต่ออะไรอยู่พลุงพลังไปหมดไอ้อย่างนี้มันน่าเสียดายเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งที mm. เอาดีไม่ได้ ดัง <c oughs> นั้นผู้ที่มีอายุมากก็ยิ่งเตือนตนให้มงมากเข้าไว้เพราะว่ามันไม่ใกล้ฝั่งเข้ามาทุกทีแล้วถ้าไปหลงไปเผลอในเวลาชวนเจียนเช่นนั้นแล้วก็ขาดทุนนะไม่ได้ไปทางดีแล้วอ่า <c oughs> มันจะไปทางดีได้ยังไงอ่ะเวลาลืมตัวเผลอตัว ในเวลาจวนจะตายอย่างนั้นนะเมื่อมันเผลมตั้งสติสำรวมจิตให้ตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณไม่ได้อย่างนี้นะจิตมันก็ต้องไปกอะไปคล้อง อ, อือภายนอกนั่นอย่างได้อย่างหนึ่งแหละมันจะไม่สงบอยู่ภายในนั้นได้เลยใจมันจะตั้งมั่นอยู่ภายในได้ต่อมันรู้ชัดว่ามีที่พึ่งอยู่ มีบุญมีคุณเป็นที่พึ่งอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นแหละจิตมันจึงตั้งมั่นอยู่ได้ต้องให้เข้าใจถ้าเผลอตัวแล้วลืมกำหนดรู้บุญรู้คุณความดีแล้วอย่างนี้นี่ก็จิตมันก็ต้องเล่ไปหาที่เกาะที่คล้องเช่นนั้นเมื่อตายลงเนะี่ยมันจะไปทางดีได้อย่างไร เพราะเวลาเวลายัางชวนจะตายนี่นปล่อยจิตให้ไปเกาะไปคล้องอยู่ในวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกนี้นะนั่นเมื่อจิตมันไปคล้องอยู่สิ่งใดพอตายลงมันก็ไปวกเวียนอยู่กับสิ่งนั้นมันจะไปที่ไหนได้แล้วใจดวงเดียวนี้ น, นี่ถ้าผู้ใดมาฝึกจิตนี่ให้ตั้งมั่นลงต่อบุญต่อคุณได้ ตั้งแต่เวลามีกำลังเลี่ยวแรงดีอยู่นี่ก็มันเนื้อถึงบุญถึงคุณทำความยินดีทำความพอใจทำความเชื่อในบุญในคุณนี่แหละว่าเป็นที่พึ่งกำจัดทุกภัยได้จริงๆเรียกว่าเป็นที่พึ่งของใจนะเมื่อใจนี้ได้สั่งสมบุญคุณนี้ให้บังเกิดขึ้น เต็มที่แล้วอย่างนี้ก็ได้ความอุ่นใจเนะี่เอาตายก็ตายขันห้านี่มันจะแตกกระดับก็แตกดับไปก็เรารู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่ของเรามันจาเป็นต้องแตกดับไปตามการเวลาของมันบันนี้เราก็มีที่พึ่งอยู่แล้วเรามีบุญมีคุณเป็น